บทที่17เจลือกทิพต์ปรากฏการในโลกทิพต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดและทําให้เกิดความชงวนสนเทกแก่นักศึกษาในทางนี้เป็นจํานวนมากก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าเลือกทิพต์ซึ่งได้แก่ซากของกายทิพต์ที่วิญญาณได้ถอดทิ้งไปในเมื่อได้ตื่นจากการนอนพักฟื้นในโลกทิพต์แล้วซากของกายทิพต์นี้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้บ่อยที่สุด เรามักจะทำให้เราเข้าใจว่าเป็นกายทิพย์หรือเป็นวิญญาณผู้นั้นเองมนุษย์ทุกคนนอกจากจะมีกายเนื้อแล้วยังมีกายละเอียดที่เรียกกันว่ากายทิพย์คำนี้บางครั้งก็เรียกกันว่า italic double ซึ่งพอจะแปลได้ว่ากายใสที่ซ่อนอยู่ข้างในทางฮินดูมีคำเรียกว่าลิงคะสรีระ กายทิพนี้มีลักษณะเหมือน ก, นกันกับกายเนื้อคล้ายกับจะเป็นแบบจำลองฉะนั้นแต่ท้าว่าประกอบขึ้นด้วยวัตถุที่ละเอียดซึ่งเป็นต้นเขาของกายเนื้อซึ่งประกอบขึ้นด้วยวัตถุหยาบที่สุดเมื่อวิญ ญ, ญาณในที่นี้คือโศลละทิ้งกายเนื้อไปแล้วก็พาเอากายทิพนี้ออกมาในฐานะที่เป็นพาหะเครื่องห่อหุ้มอีกประการหนึ่ง ในระหว่างที่กายทิพหลับเพื่อพักฟื้นอยู่ในโลกทิพวิญญาณก็อาศัยแฝงอยู่ในกายทิพนี้แต่จะเริ่มสลัดกายทิพนี้ทิ้งไปอีกใ น, นเมื่อวิญญาณตื่นขึ้นมาและต่อจากนั้นก็ผ่านเข้าสู่ภูมิทิพที่สูงกว่านั้นสืบไปกายทิพที่ถูกวิญญาณสลัดทิ้งไปเป็นครั้งที่สองหลังจากกายเนื้อนี่เองที่กล่าวได้ ว, ว่าเป็นเปลือกทิพ ในหนังสือชุดนี้อีกเล่มหนึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวบรรยายเรื่องเปลือกทิพย์ไว้ดังจะขอคัดมากล่าวอีกครั้งหนึ่งดังนี้กายทิพย์จะคงอยู่ชั่วระยะหนึ่งหลังจากที่กายเนื้อดับชีวิตลงไปแล้วบางครั้งเมื่อมีเหตุประกอบบางอย่างอันเหมาะสมกายทิพย์ก็อาจจะไปปรากฏแก่ผู้อื่นได้ดังที่เราเรียกกันว่าผีแต่เปลือกทิพย์ ที่ได้ถูกวิญญาณทิ้งออกไปอีกเป็นครั้งที่สองนี้ถ้าจะเปรียบก็น่าจะได้แก่ซากศพอันประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุอันละเอียดและมีลักษณะเหมือนกายเนื้อเดิมนั่นเองดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเลือกทิปดังกล่าวนี้ไม่มีชีวิตหรือสติปัญญาแต่อย่างใดและไม่มีคุณลักษณะอะไรพิเศษยิ่งไปกว่าก้อนเมฆในท้องฟ้าซึ่งบางคราวก็อาจจะมีรูปร่างมองดูคล้ายกับจะเป็นคนฉะนั้น มันจึงเป็นเพียงราบหรือเปลือกเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมันจะค่อยๆสลายตัวไปในขณะที่มันล่องลอยอยู่ในบรรยากาศของโลกทิพชั้นต่ำและในไม่ช้ามันก็จะละลายกลายเป็นวัตถุธาตุเดิมโดยไม่มีอะไรเหลือให้เห็นร่องรอยอยู่เลยแต่มันมีลักษณะที่แปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหากายเนื้อเดิมซึ่งเป็นซากศพไปแล้วเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมักจะล่องลอยมาสู่สถานที่ที่กายเนื้อเดิมถูกเก็บหรือฝังไว้บ่อยและแล้วก็สลายตัวไปด้วยกันบุคคลบางคนที่มีความรู้สึกไวในด้านนี้คือที่เรียกว่ามีตัวเป็นสื่อโดยเฉพาะในทางตาซึ่งจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทางอารมณ์ของบุคคลนั่นเองมาแต่เดิมหรือว่าเกิดขึ้นโดยอารมณ์ที่ผ่านมาชั่วขณะเช่นเกิดความกลัวเป็นต้นก็ตาม มักจะได้เห็นเปลือกทิพนี้ล่องลอยอยู่ในบริเวณป่าช้าที่เก็บศพหรือไม่ก็ในสนามรบที่มีคนตายกันมากๆเป็นต้นและก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นวิญญาณจริงๆของบุคคลผู้ที่ตายไปแล้วซึ่งอันที่จริงเปลือกทิพนี้ก็ไม่มีค่าหรือมีความเป็นตัวตนมากไปกว่ากายเนื้อที่นอนทอดทิ้งอยู่บนดินหรือถูกฝังอยู่ใต้ดินนั่นเลย เปลือกทิพย์เหล่านี้อาจจะถูกชุบให้มีชีวิตขึ้นมาได้ชั่วระยะหนึ่งถ้าหากได้เข้ามาสัมผัสกับพลังจิตของคนทรงซึ่งในกรณีเช่นนี้กระแสปราณของคนทรงนั่นเองจะเป็นเครื่องชุบชีวิตเปลือกทิพย์ขึ้นมาได้นอกจากนั้นจิตใต้าสานึกของคนทรงเองก็จะเป็นปัจจัยช่วยให้เปลือกทิพย์แสดงกิริยาอาการคล้ายๆกับว่าจะมีชีวิตจิตใจมีสติปัญญาพูดกันได้รู้เรื่อง และสามารถตอบคำถามได้บ้างในบางครั้งอาจถึงกับปรากฏเป็นรูปร่างให้เห็นด้วยตาได้แต่การตอบคำถามเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นเต็มทีฟังได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างเพราะว่าอันที่จริงวิญ ญ, ญาณที่แท้จริงของบุคคลนั้นหาได้มาอยู่ณที่นั้นไม่การพูดจาและแสดงกิริยาอาการของเปลือกทิพย์จึงเป็นไปคล้ายกับหุ่นยนต์ช น, นั้น ที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าปรากฏการในห้องทรงวิญญาณจะมีเรื่องเช่นนี้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะความจริงการติดต่อวิญญาณที่ทำได้จริงๆและวิญญาณที่สามารถกลับมาติดต่อด้วยจริงๆก็ย่อมมีอยู่เหมือนกันแต่ข้าพเจ้าใคล้ให้ข้อคิดเห็นซึ่งสมควรจะเป็นเครื่องระวังตัวไว้บ้างเท่านั้น มีผู้เชี่ยวชาติอีกท่านหนึ่งได้เขียนเรื่องเปลือกทิพย์ไว้ดังจะขอคัดมาเฉพาะตอนที่ข้อความไม่ซ้ำกันกับที่กล่าวมาแล้วดังต่อไปนี้โดยปกติกายทิพย์จะไม่ออกไปจากร่างกายคือกายเนื้อนอกจากในเวลาที่กายเนื้อถึงแก่ความตายและถ้าจะออกไปด้วยเหตุบังเอิญบางอย่างก็มักจะไม่ไปอยู่ไกลาจากกายเนื้อ คือจะวนเวียนอยู่ในที่ใกล้กับกายเนื้อนั่นเองการที่เรากล่าวว่าเปลือกทิพมีความรู้สึก consciousness ดังเช่นที่เราเข้าใจความหมายของคำว่าความรู้สึกทางอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของกายเนื้อในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นเป็นการเข้าใจผิดเพราะวิญญาณได้สลัดเปลือกทิพออกไปนั้น ได้ไปมีชีวิตอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปแล้วดังนั้นแม้บางครั้งจะมีสิ่งที่ลาดูเพลินๆคล้ายกับจะเป็นความรู้สึกหลงเหลืออยู่ในเปลือกทิพย์บ้างแต่ก็ขอให้ทราบว่านั้นมีใช่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของมันเลยเปลือกทิพย์นี้ไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวอะไรได้เลยแม้ว่าบางครั้งจะมีความสามารถในการแสดงออกซึ่งเจ็ดจนวคล้ายๆกับว่าจะมีชีวิตจิตใจยอยู่ แต่นั่นก็เป็นเพียงเศษหลงเหลือแห่งกระแสพลังจิตที่ตกค้างอยู่เท่านั้นเปลือทิปนี้สามารถจะถูกชุบให้มีชีวิตขึ้นมาได้ชั่วคราวด้วยอำนาจแห่งกระแสจิตของคนทรงแต่สภาพชีวิตดังกล่าวนี้ไม่มีความหมายเป็นแกนสารอะไรมากนักเปรียบเหมือนคนไข้ผู้หนึ่งซึ่งเจ็บหนักจนหมดสติไปและถูกหามเข้ามาในห้องซึ่งมีแต่คนแปลกหน้าอยู่เต็มไปหมด ต่อมาเขาได้ฟื้นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียและมึนงงเมื่อมีผู้ถามเข้าถึงเรื่องต่างๆเขาก็จะตอบคำถามนั้นไปแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นถูกเรื่องบ้างไม่ถูกเรื่องบ้างเพราะความรู้สึกของเขาในตอนนั้นยังไม่หายงัวงเงียดีจึงเป็นคล้ายๆกับหุ่นยนต์ฉนั้นเรื่องดังกล่าวมาย่อมเป็นฉันใดเปลือกทิพย์ ซึ่งมีเศษหลงเหลือของความรู้สึกแฝงอยู่ก็เป็นฉันนั้นอีกท่านหนึ่งได้เล่าไว้ดังนี้ราบของกายทิพย์ที่กำลังสลายตัวไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าของคราบเลยมันไม่มีวิญญาณ ในที่นี้คือตามความหมายในภาษาอังกฤษว่าโ so, ซและไม่มีจิตคือในภาษาอังกฤษว่าไม่นอกจากจะมีพลังชีวิตหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นกล่าวอีกในยะหนึ่งมันมีค่าเท่ากับทรากศพในโลกทิพย์ทำนองเดียวกับสร่ากศพคือกายเนื้อในโลกมนุษย์นั่นเองซรากศพในโลกมนุษย์ เรา อ, อาจใช้กระแสไฟฟ้าอย่างแรงผ่านทําให้มันกรอกในตาเคลื่อนไหวแขนขาและร้องครางได้จนดูคล้ายกับว่ามันมีชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่ชั้นใดในทํานองเดียวกันเราก็สามารถที่คนทรงปล่อยพลังชุบเปลือกทิพย์ให้แสดงอาการกิริยาเคลื่อนไหวและตอบคําถามได้กระท่อนกระแทน่นได้คล้ายกับว่ามันมีชีวิตและเป็นตัวจริงของวิญญาณได้ชั้นนั้นแล้วเรื่องนี้ก็มักจะเป็นไปโดยที่ทางฝ่ายคนทรง จะไม่รู้สึกตัวว่าได้กระทาเช่นนั้นเลยอันที่จริงถ้าสภาวะแวดล้อมอำนวยจริงๆมันสามารถปรากฏตัวให้เห็นเป็นเงารางก็ได้อีกด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นไปได้ก็โดยกระแสจิตที่ส่งออกมาช่วยโดยไม่ได้ตั้งใจจากคนทรงและผู้ที่ม่ร่วมพิธีอยู่นั่นเอง ความรู้เรื่องวิญญาณเป็นสิ่งจำเป็นคำว่าวิญญาณในที่นี้เป็นคาสื่อความหมายสาหรับคนทั่วไปเป็นคนละอย่างกับวิญญาณในความหมายแท้ตามคาสอนของพุทธจึงต้องย้ำไว้เสมอว่าต้องเข้าใจการสื่อสารในแง่ของภาษาให้ตรงกันด้วยนะครับความรู้เรื่องวิญญาณ เป็นสิ่งจําเป็นดังนั้นในหนังสือตำราที่เกี่ยวกับวิชาลึกลับทั้งหลายซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในทางนี้จริงๆจึงมีคำเตือนอยู่เสมอมีให้นำเอาประสบการณ์อันเกิดจากเปลือกทิพย์ไปปะปนกับการติดต่อกับวิญญาณโดยตรงแต่สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องเช่นนี้มาก่อนยอมหลงผิดไปได้โดยง่าย และการที่ลัทธิวิญญาณศาสตร์ได้รับการดูถูกเย้ยหยันจากคนส่วนมากก็เพราะเรื่องนี้ประการหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดว่าความรู้เรื่องหลักความจริงทั่วไปของลัทธิวิญญาณศาสตร์ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่ไม่น้อยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันซึ่งมีผู้สนใจในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยแต่ก็กระทาไปด้วยความหลงงมงายอย่างน่าเสียดาย เท่าที่ได้กล่าวมานี้ข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีวิธีการติดต่อกับวิญญาณของชาวตะวันตกในสมัยปัจจุบันแต่อ ย, ย่างใดข้าพเจ้าทราบดีว่าการติดต่อทางวิญญาณได้เป็นเหตุที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให้บุคคลเป็นจํานวนมากมีโอกาสเข้าใจเรื่องราวความจริงที่เกี่ยวกับวิญญาณได้ดีขึ้นและวิญญาณศาสตร์สมัยปัจจุบันก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อันโลดโผนนัก ได้ตั้งเข็มไปเพื่อเรียนรู้ความจริงของชีวิตในระดับที่สูงขึ้นไปเสีอมากกว่าแต่เนื่องจากยังมีผู้ชอบเรื่องปาฏิหาริย์ตื่นเต้นอยู่อีกไม่น้อยข้าพเจ้าจึงไร้ขอฝากหลักความจริงดังกล่าวมาแล้วเพื่อให้เป็นเรื่องเตือนสติและป้องกันไม่ให้หลงเข้าใจผิดไปได้ง่ายๆข้อสำคัญที่ควรสังวรไว้ให้จงหนักอีกประการหนึ่งก็คือขอให้ท่านระวัง อยา่ารีอ่านคบหาสมาคมกับวิญญาณขั้นต่ำเข้าเปน็นอันขาดถ้าท่านทำเช่นนั้นท่านจะต้องเสี่ยงภัยอันจะเกิดแก่ชีวิตของท่านอย่างใหญ่หลวงโปรดจำไว้ว่าในโลกทิพมีหลุมบ่อและลมทรายดูดอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์เหมือนกันถ้าท่านเดินทางด้วยไม่ระมัดระวังตัวอย่างเพียงพอแล้วท่านจะต้องเสียใจเป็นนานในเมื่อพลัดตกลงไปในเครื่องดักเครื่องล่อเหล่านั้น จงอย่าประมาทเป็นอันขาดในการศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณระหว่างอิทธิพลของกระแสวิญญาณขั้นต่ำในโลกทิพย์ให้จงดีจงระลึกถึงคุณธรรมอันจะทำให้จิตของท่านปราณีตขึ้นและทงติดต่อกับวิญญาณที่มีศสิลธรรมเท่านั้นจงจำไว้ว่าอย่าหันหน้าไปทางดวงจันทรแห่งโลกทิพย์เป็นอันขาดคำว่าดวงจันทร์ในที่นี้ เป็นํำนวนในภาษาอังกฤษคือคำว่าดวงจันทร์มีความหมายสอบไปในทางความเป็นคนเจ้าอารมณ์และความวิกลจริตเช่นคำว่าลูนา t ิกซึ่งมีรากศัพท์มาจากลูน a าคือดวงจันทร์นั้นแปลว่าบ้าจงจำไว้ว่าอย่าหันหน้าไปทางดวงจันทร์ในโลกทิพย์เป็นอันขาดแต่จงหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์แห่งโลกทิพย์ตลอดเวลาคือหมายถึงภูมิสูงและวิญญาณที่มีศิลธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาตนให้ปลอดภัยและคลายคลาวจากลมโครนและดวงนามป่าชัดอันเต็มไปด้วยเชื้อโรคร้ายแรงนาน า, นาประการในการศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณ น, นี้สิ่งที่จะล่อให้ท่านหลงผิดและเกิดอันตรายร้ายแรงต่างๆในเรื่องนี้มีอยู่ไม่น้อยซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าการที่ข้าพเจ้าเตือนสติท่านครั้งแล้วครั้งเล่านี้ไม่ใช่เป็นการพูดมากเกินไปเลย หมายเหตุเรื่องเปลือกทิพนี้กล้ายกับจะคานกันกับหลักความจริงที่ว่าโอปปาติกานั้นเมื่อจุติคือเคลื่อนหรือตายจากภพนั้นก็หายวับไปเลยไม่มีซากเหลือปรากฏอยู่จึงได้เรียนถามโอปปาติกาท่านเจ้าของเรื่องนี้ในที่นี้คือติดต่อกับท่านทางสมาธิหลังจากท่านจากโลกนี้เป็นนานแล้วนะครับท่านบอกว่า ส่วนใหญ่ของข้อความในบทนี้ได้มาจากการศึกษาจากมติของผู้อื่นในสมัยที่ท่านยังเป็นมนุษย์อยู่บัดนี้เมื่อท่านได้มาอยู่ในโลกของโอปปาติกะได้รู้เห็นความจริงต่างๆดีขึ้นจึงได้อธิบายแง่ของความจริงบางประการดังต่อไปนี้เป็นการเพิ่มเติมคือในภูมิของโอปปปาติกะชั้นต่ำหรือที่จิตใจยังติดข้องอยู่กับโลกมนุษย์จนถอนตัวคือถอนใจไม่ออกนั้น จะมีสภาพความเป็นไปไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เรามากนักทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักใหญ่อันเป็นมูลฐานของความจริงในเรื่องนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาจากใจโดยตรงคือเกิดจากวิบากของกรรมซึ่งสั่งสมไว้ในใจหรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คือเกิดจากปริมาณแห่งตัณหาอุปาทานและอวิชชาในใจของแต่ละคนนั่นเองดังนั้น พวกนี้จึงรู้เห็นความเป็นไปทุกประการของโลกมนุษย์มีส่วนร่วมในความสุขความทุกข์ของมนุษย์โดยหาความสงบใจไม่ได้เท่าใดนักและเมื่อตนไม่สามารถละตันหาอุปาทานเดิมได้สภาวะความเป็นไปแห่งชีวิตของตนก็ออกมาคล้อยตามกิเลส ข, ของตนจนเกือบจะเหมือนกับโลกมนุษย์ทุกประการที่ติดขัดอยู่บ้างที่ยังเหมือนกับโลกมนุษย์หมดทุกประการไม่ได้ เพราะว่าในโลกมนุษย์มีาธาตุหยาบการเกิดก็ต้องอาศัยมารดาบิดาและดินฟ้าอากาศอันเหมาะสมด้วยแต่ส่วนในโลกของโอปปาติกานั้นถึงแม้จะหยาเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเพียงกรร ม, มนิยามหรือกฎแห่งกรรมอย่างเดียวดังนั้นในโลกโอปปาติกาที่หยาบดังกล่าวเหล่านี้จึงมีการตายมีซากศพมีการทำศพมีการเก็บและหวงเข้าของเครื่องใช้ แล้วเวลาไปไหนมาไหนกันบางครั้งก็ต้องมีการขนของพาลุงผาลังเหมือนมนุษย์เหมือนกันหมายเหตุผู้อ่านในหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็กล่าวถึงการเห็นผีอพยพบยัดถิ่นฐานขนเข้าของพาลุงพาังเช่นเดียวกันนะครับอันที่จริงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ก็เกิดจากอุปาทานของพวกเขาในภูมินั่นเองสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีอุปาทานเช่นนั้นแม้มองดูอยู่ก็ไม่สามารถเห็นสิ่งของเหล่านั้นได้เลยและบ่อยครั้งก็จะต้องเกิดความสงสัยว่าเขาเหล่านั้นกําลังทาท่าจับอะไรหรือคนอะไรอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายทั้งๆ ท, ที่ความจริงแล้วก็ไม่เห็นปรากฏว่ามีอะไรเลย สิ่งของที่ความจริงไม่มีอยู่แก่ผู้อื่นแต่กลายเป็นของมีอยู่อย่างแท้จริงสำหรับพวกเขาก็เพราะเกิดจากอุปาทานหรือว่าความนึกฝันวาดภาพไปเองนั่นเองซึ่งก็เป็นทำนองเดียวกับผู้ที่เป็นไข้เพอหรือผู้ที่เป็นโรคเส้นประสาทยังแรงหรือเสพยาเสพติดบางอย่างทาให้เกิดสภาพที่เรียกว่าประสาทหลอนคือเห็นภาพไปเองได้ต่างๆทั้งๆที่ภาพเหล่านั้นสาหรับผู้อื่น ไม่ได้เป็นของมีอยู่จริงๆเลยอย่างไรก็ตามสำหรับโอปปาติกะที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปจริงๆมีจิตปราณีตมากๆนั้นแม้ท่านจะรู้อยู่ว่ามโนภาพของบุคคลหรือโอปะปะติกะเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงแต่ถ้าท่านต้องการจะทราบว่าเขากำลังนึกฝันเห็นภาพอะไรท่านก็อาจจะกาหนดจิตไปดูด้วยอานาจของสมาธิได้ผลก็คือ ท่านจะสามารถเห็นภาพในความนึกฝันของบุคคลนั้นหรือของโอปปปาติกะนั้นเหมือนกับเจ้าตัวเขาเห็นเหมือนกันแต่ก็มีข้อแตกต่างที่สาคัญคือท่านไม่มีอารมณ์วันไหว้ไปตามเพราะท่านมีสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวจึงรู้อยู่ตลอดเวลาว่าภาพเหล่านั้นเป็นเพียงมายาเท่านั้นส่วนเจ้าตัวผู้เห็นภาพนั้นด้วยความนึกฝันของตนเองนั้น เนื่องจากไม่มีสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวแต่ใช้อำนาจของกิเลสคือตัณหาและอุปาทานล้วนๆจึงได้รับความหวันไหวคือพลอยดีใจเสียใจร้องไห้คร่ำครวญหรือไม่ก็ตกใจวาสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบและความรู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นมายาไม่ได้เลยและแอสโทรเชลหรือเปลือกทิพก็มีทางเป็นไปได้ดังกล่าวมานี้